บุ๊กทูสี่สิบเบอร์การสอบถามทางสปอว์เอฟเตอร์ไวอขอโทษครับไม่รู้ช่วยผมทีได้ไหมครับ Can น o ย็นเพ่หม แถานี้มีร้านอาหารดีๆไหมครับวเอร์ธต่อในกูดร้านอาเลี้ยวซ้ายที่หัวมุมครับไปทางซ้ายที่จั่นนิ t ต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดครับแล้ก go ็จะไปท้ายที่ัั้ยทีวาแล้วไปอีกหนึ่งร้ยมตรครับ Så skal du gå 100 meter til højre. k u n s a m e b i Du a å t e b du g d i l k n du g med k n gå t a d i du g e b e n k u n s e å m a b n du gå med b n Kunne g d n k u n d m b i k n g d u å d n k n gå e d i l du gå n k n e gå e b e n Kunne d gå e n k u n du b k a n gå d b i å d b a e k e d g m e e gå m i g d d g d i g d u k a n o g s å b a r e k ø r e e f t e r m i g ผมจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรครับว่าดันคัมเมอร์ทิลฟุตบอลสตาดิอเนข้ามสะพานไปครับกูโอว์รูนลอดอุโมงไปครับเพื่อเกมโชเนลขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามครับขี่ไที่สามที่สุด ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกครับตะไปทางขวาของถต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสี่แยกถัดไปแล้วคุองถนนแร r ตกับปเรื่อยๆผ่านสีแยกถัดไปดคจะับไปสาามบิถนได้ก่อากนนยวางถรกครับเตะไปทาง วิธีที่ดีที่สุดคือไปโดยรถไฟใต้ดินเยนนิมิตสะทาเมโทรนออกที่สถานีสุดท้ายคุณจะเคเยงขีที่สถานีากรุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด